เรื่องส ม, มุติโรงอุโบสถสองแห่งในอาวาสเดียวกันสมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งสงมสมุติโรงอุโบสถสองแห่งภิกษุทั้งหลายประชุมกันในโรงอุโบสถทั้งสองแห่งด้วยทั้งใจว่างวสงจะทําอุโบสถหน้าที่นี้สงจักทําอุโบสถหน้าที่นี้ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้สงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ในอาวาสแห่งหนึ่งสงไม่พึงส ม, มุติโรงอุโบสถสองแห่งภิกษุสงหมู่ใดสมมุติต้องอบัตทุกก์ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถอนโรงอุโบสถแห่งหนึ่งแล้วจึงทำอุโบสถในโรงอุโบสถอีกแห่งหนึ่ง